เช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นว่ารูปหรือเสียงดินรถเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจต่ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากแกประพฤติที่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 ความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นธรร ม, มาวัดทของประโพงษ์วันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งดุติกายวิเวกนี้จิตใจเราบังก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยอ่จิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปพอเราไปวิ่กทางกายมาพอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงจัต งมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากราบนักการวันนี้ยิ่ยงอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่ยงอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโงคแล้วก็วจะมีความรู้สึกเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนออก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 ก็เรียกการฝึกใจมเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จมะมาทีนาเจศาโลมาณ า, าทันตาตาโจซึ่งเป็นของป ล, ปลอมๆนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม เป็นแก่เป็นสาลนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เป็นสารละเป็นความจริงอไอ้ความเป็นจริงจิ่งทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นจิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ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 นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับปิจารณาให้หากเกาะกำบังให้เห็นก้อนอตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งสิงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา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 ให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงสักวิ์บัธรรมชาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อานาจของใครมันมีอานาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมา ม, มามันก็มามันเองธรรมชาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่า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 ว่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาติอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาติไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาทำที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว จะได้เอาจิตนี่พิจนาตายเมื่อพิจนาตายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไ ม, ม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอตตามันเป็นอนัตตาเสียแล้วมเมื่อหกว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตาย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 อื ม, มีดินมีน้ํามีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัจจามันก็หมดไปอนาจามันก็ตั้งขึ้นมาอืมเมื่อเห็นก้อนอนัจจาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัจจาเป็นของไม่ใเจตัวต้นอืม เทพบทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเผืดแก่เหยียบตายคูเห็นสภาวะว่าตามเป็นจริงเป็นสัตว์แว่าดินสักว์วน้ำไฟรมมันแยกเป็นส่วนๆเถอะนะหาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีเพรฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้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 เราสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำท่านสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัตสงสารรังนั้นขอโยมซึ่งมานมัสการในวัดรลงพระพง์วันนี้อยากจะประพฤต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 พยายามทำไปเรื่อยไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นถูกขังเห็นอนาัจตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัจจาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมุติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงแบบจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นอืกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพินาายุที่กายเอาใจนี้มาพินายกาย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 จะเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนี่ก็มันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเลยมากเมือ่อยากเลยมากก็ อ, อยากเลยน้อยเมือ่อยากเลยน้อยก็ออยากเลยร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอารมณจังคือมันไปของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศาสตสดาของเราท่านจริงๆว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอืมไม่เช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจิ้มจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานพิเจรณาทุกชาติทุกภาษานั่นเองทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่จะอยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิเอ้รทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เกียตายทุกทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตะกิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเ่นเราทุกคนนั่งอยู่ในนี้ก่อนเกิดมาอืมเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปนได้ด้วยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามจาระบาของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครนนย อ, อย่างนั้นเนี่ยอืดังนั้นพุทธศาสตร์ธนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย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 เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจือไปจางไปไอความวุ่นวายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์พอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้น เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดกนที่ไหนมันก็เกิดเพื่นที่ใจเหล่านี้เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นดีทนามาใจก็เป็นดีทานไอ้เจ้านั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจ ฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสดาของเราสั่งจิงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาธิเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นผิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นตายนี่ว่ามันไม่เที่ยง สักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่่าเราสรงมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราสรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราแล้วก็สรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันจินให้น้ำมันจิน ให้นะ้ำมันดาบแต่อับไปสักแต่วาอาบเท่า น, นั้นไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสภานะเมื่อถึงข้าวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมาชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไมไ่ตายด้วยอมีบินน้ําไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นพมาต่อสกายกับใจดังนี้โดยโยมทั้งหลาก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณาตายเนี่ยอาการตายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อไหน ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายมีว่ามันมแน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจต็เกิดนิ่พิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรู ป, ปรนามหรือกายกับใจ น, นีน้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางส่วนทุกข์เปรียบประหนึ่งว่ามันนกมันอยู่ในกรง นกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวกระวนวิ่นโลนมันก็พยายามลิ่นโลนจะออกจากกรงนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันจิบอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่นัอนตักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังชุบขังอนัตตาในรูปในนามนี้แล้วอืมมันก็พยายามอืพิจารณาให้ออกจากวัตฏะสงสารนั้นๆอืไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดเดินมรรคตายอีกแก่อีกเก็บอีกไกลอีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัตตสงสารเบื่อนายในการกระทําดีเบื่อนายในการกระทําชอบ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 รีบจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเราคิดนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อคิดปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากก็จะสงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้ มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่รีเอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมั น, มนเช่นนี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตร์ศานาที่สอนมาเอโกธโมจบลงตรงนี้เออมิฉะนั้นขอคณะโทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก หรือผิดนั้นก็เอาไปปรินาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปปินาาก่อนถ้าผู้ทรงท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทษก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อตรับปัญญาอืดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานวัตการในวัดโนฮวงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก เมืองไทยไปจะแล้วฉะนั้นคำขวัญด้ธรรมะเทตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมะซึ่งสันติธรรมในบว ร, บรพุทธศาสนากกกะกะตลอดตกาลนานตอนนี้จะให้พระสุนิโร อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้อันสองเรื่อยเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเดียวกัเทวทูตอันนั้นให้พ้นจากประจสงสารต่อไปนั้นพูจ้จงการปฏิบัติให้มันกระกัศลัดง่ายต่อไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจรารณา